ลูกหลานมาวัดหลวงพ่อแต่ก็ยังไม่เที่ยงนะคงจะหิวข้าวอยู่มั้งนะลูกหลานนะนั่งรถมาลูกหลานนั่งรถมาขย็ขย้อนขย็ขยอ้ขยขยอนมาคงจหนนะหิวข้าวน่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยนะไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะนะเขากำลังเขากงเลี้ยงอาหารเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวลูกหลานนะบอกโอ้ายแน่วตี <c oughs> <c oughs> เออเออ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 ตอนนี่ไปลูกหลานก็ได้กราบพระราฮนาขอสินจากหลวงตาเมื่อกรับอัลาฮนาขอสินห้าแต่หลวงตาก่อนที่จะให้สินห้าหลวงตาจะแนะนาเรื่องสินห้าให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นเป็นแนวทางซะก่อนค่อยรับสินนะลูกหลานนะเพราะว่าพวกเราไปนักสถานที่ต่างๆพวกเรามีแต่เรียนหนังสือพอเป็นเด็ก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 จากนั้นก็หลวงตาจะเป็นผู้พานำวัดพุทธ <gh> ังทำมัง <surfing> ส <aya 22> <yan> ังขังสระนางคัดฉามิดูตียามปีพุทธังทำมังสังขังสระนางคัดฉามิตาตียามปีพุทธังทำมังสังขังสระนางคัดฉามิพุทธังคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาต้นพระศาสนาทำมังคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน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 สีเลนโพกสัมปาทาสีเลนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโสทะยอะอาอราธนาธรรมใช่ไหมเอาพระเกรียนพูดได้ไหมอาราธนาธรรมผมมาจะโลกาได้ไหมฮะได้ทำไมจะไม่ได้วะยัง ไ, ได้ไหมเอาครูค ด, ดำก็ได้ วารังอายาเจธาสันเตตาสันตาอวิคทางทัปปิกาเทศุกัมมังอนุกัมปิมังปะชังครูบาจารย์ต้องสอนนะที้นนะ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 พวกเราก็จะได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกเราน่ะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่26กพจิกายนพุทธศักราช2 5 5 8เป็นวันที่พวกลูกหลานได้มาทอดผ้าป่าสามกีที่วัดของหลวงพ่อเพื่อหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว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 เพราะนั้นให้ลูกหลานหมั่นขยันนะให้รู้จักหน้าที่อย่าไปเที่ยวอย่าไปเตรในขณะที่เรียนหนังสืออย่าอย่าไปรบคนที่ไม่ดีเออมันถ้าผู้ใดก็ตามที่มาเรียนหนังสือราชินูทิหลวงพ่อว่าเป็นผู้กันกรองมาแล้วจึงได้มาเข้าโรงเรียนราชินูทิศเป็นที่ยอมรับของคนทั่วจังหวัดยังวัดอุดรเขาก็ยกย่องเชิดโชว์ล้ ว, ว่าฝ่ายผู้ชายก็ว่าอุดรพิษ ถ้าทั้งฝ่ายผู้หญิงก็จตรีราชินเุเทศเป็นหนึ่งในจังหวัดอุดรกันกรองมาแล้วจึงได้เข้าโรงสองโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญนะได้มาเป็นผู้โชคดีอย่างมากาที่พ่อแม่ของเราได้ส่งเข้ามาเรียนหนังสือเพราะนั้นในลูกหลานทั้งหลายตั้งใจเรียนหนังสือนะ อ, อย่าไปทะเลไทยกระไหลยอย่าไปหาเที่ยวหาเตรด